ทราธรรมเทศนาแผ่นที่109่าำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11กันยายน2560รมีชื่อเรื่องว่ายาไว้ใจในตัวงอวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2560 วันออกพรรษาก็จวนเข้ามาแล้วแล้วก็วันที่เจเป็นกระถินวัดป่าบ้านตาดวันที่15ตุลาเป็นกระถินวัดป่านาคำน้อยอันนี้ก็แจ้งข่าวให้กับพวกเราคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายผู้ที่จะมาก็คงจะได้วางแผนการเดินทาง ทำให้พูดไม่กล่าวแต่พูดกล่าวก็เหมือนกับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้ามาสู่วัดมันก็เป็นดาบสองคมอีกเหมือนกันนะลูกหลานแต่แต่ถึงยังไงผู้ที่มีจิตศรัทธาอยู่แล้วผู้ตั้งใจยอยู่แล้วก็ต้องถามไทยว่าปีนี้เราจะไปทอดกะถินวัดไหนบ้างเราจะไปทำบุญที่ไหนบ้างวันนี้ปีนี้ปี6กศนเนี่ย อันนี้คืออยู่ในจิตในใจของลูกหลานพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วผู้ใฝ่ในการบุญการกุศลแต่อันดับแรกเนะี่ยพวกเราก็คิดเออต่ก่อนเรารักเคารพในองค์หลวงตากระิ่นวัดปาบ้านตาดปีนี้เป็นวันที่เท่าไหลน้ออันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิด ถึงปู่ย่าตาทวดถึงท่านจะจุดจุดตินิรพานไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่เสร็จบริบูรณ์คาว่าเสร็จบริบูรณ์คืออะไรก็คืออนุสรสถานลูกหลานต้องได้คิดช่วยกันอนุสรสถานที่พวกเราจะต้องได้ช่วยกันสร้างเพื่อเป็นอนุสรเป็นที่ราลึกถึง พระคุณที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเรา น, นี้เป็นหน้าที่ของสิทธิ์ทุกคนจะต้องสํานึกเหมือนกับเราเกิดมาจากพ่อแม่จะให้พี่ชายหรือจะให้ผู้ใดบอกว่าในลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่นะก็พูดได้แต่พอพูดพ่ําเพื่อจนเกินไปก็ทําให้น้องๆทั้งหลายจงเกียจจงชังเหมือนกัน แต่ถ้าไม่พูดจะเลยก็ปล่อยปะละเลยละเหลืองละเลิงละเหลืองเกินไปก็ต้องได้พูดได้กล่าวนี้ก็เหมือนกันพวกเราได้รับอัดรับธรรมมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดเราก็ต้องลำเลึกถึงพระคุณของท่านถือเสมือนว่าเป็นพ่อธรรมะเป็นพ่อธรรมเป็นพ่อทีท่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวที่เราเป็นคนดีเป็นคนตั้งตนตั้งตัวได้ เป็นผลกลับจิตกลับใจตะก่อนเราคิดไปในทางที่เป็นอกุศลเป็นคิดไปในทางที่ไม่ดีแต่ปัจจุบันผู้อ่ฟังอัดฟังธรทำฟังคําสอนของท่านแล้วทำเรากลับตัวกลับใจได้อันนั้นแปลว่าผู้ให้อัดธรรมหลวงตาในจุดนี้แหละที่ท่านให้อัดรมแก่ลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตภาวนา หาฟังได้ยากเรื่องสมาธิและวิปัสสนาของหลวงตาเพราะนั้นถือเสมือนว่าเป็นผู้เป็นบิดาทางธรรมผู้ให้กำเนิดทางธรรม ะ, ะให้กับพวกเราลูกหลานทั้งหลายนี่แหละในเมื่อหลวงตาจุตินิธพานไปแล้วก็ใช่ท่านไปแล้วแต่ว่าหน้าที่ของบุตริดาหน้าที่ของบุต ที่บุตรธรรมบุตรธรรมะนะพวกเราจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาย่างไรเรียกว่าเฉยเฉยเมยๆจบจบไปก็ไม่น่าจะถูกมันกันนะอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวย้ำให้กับคณะ ท, ะทาติญาติโยมลูกหลานให้ได้สังสเนียกสำนึกเจงไหมที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่หลวงพ่อเนี่ยมั่นใจว่าหลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นประโยชน์เป็น แนะนำไปในทางจริยธรรมที่ดีคือความประพฤติถูกต้องเหมาะสมในฐานะที่เราเป็นลูกธรรมในรับอัปรับอัดรับธร ร, รมจากองคหลวงตามันยังไม่จบทำเมื่อสร้างพระเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออหน้าที่ของเราก็จบลวต่อไปก็เป็น อ, อามิชบูชาบางครั้งแล้วก็ปฏิบัติบูบชาองค์ท่าน อันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือนี่ันฑิตนักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ทไม่ได้ทำให้เราเสียหายเดือดร้อนรังแกเบียดเบียนเราโลกทั้งโลกตั้งแต่ดึกใดสมัยใดสมัยเกิดจุกตั้งโลกสร้างโลกมาใหม่ พูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดถึงมาเรียงลำดับมาก็เถอะเราได้ศึกษาเราได้ฟังมาบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่พาละชนคนที่คิดไม่ดีทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายมาโดยตลอดสรุปแล้วก็คือ <c oughs> ทำคือหลักเหตุผล หลักธรรมคือความถูกต้องเป็นธรรมการอยู่ด้วยกันมีแต่ทำให้โลกทั้งโลกเดือดมีแต่ความให้โลกทั้งโลกสงบพ่มเย็นเป็นสุขมีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงทั้งหลายกิเลสพูดสรุปคือรวมกันแล้วว่ากิเลสทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนฟุ่นวายเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตดูจริงไหม บัณฑิตนักปราดมีแต่ทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นผ้าสุขผลาชนกิเลสทั้งหลายทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนฟุ้นวาย mm hmm. เพราะนั้นกิเลสภายในใจของเราก็เหมือนกันไม่ใช่กิเลสภายนอกนะให้เราสังเกตดูทีนี้ที่พูดให้ฟังนะถ้าหากว่าจิตใจเป็นธรรมในช่วงใดช่วงนั้นมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุข้ากกิเลสเกิดขึ้นมาในยุคใดในช่วงใด ในในใจของเราก็ทำให้เราเดือดร้อนฟุ้นวายหาความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะกิเลสมันเผามันกวนมันเขยา่ามันทาให้หัวใจของเราปั่นปวดเพราะอะไรเพราะหเหตุใดพอมันไปทางต่เพราะมันออกมาแล้วมันไม่ใช่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความจิบหายมาสู่ตนเอง วันนั้นการที่จะทําความชั่วเสียงหายหลวงพ่อเองอยากจะบอกกล่าวย้ําให้กับทุกคนคิดดีทดําดีพูดดีอยู่เสมอเกือบจังหวัดทุกวันที่หลวงพ่อพูดคํานี้ออกมาก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนตั้งตนเป็นคนดีถ้าว่าเราทําอะไรออกไปโดยไม่คิดไม่อ่านขาดการยัดยับยัง้งขาดการไข้ควรขาดการได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อน ถ้าคนนั้นเขาทำแล้วมันเป็นยังไงถ้าทำลงไปแล้วถ้าเรากิเลสราคะหรือพวกกิเลสโทสะมันขึ้นมาในจุดนั้นถ้าเราถลําทำลงไปมันจะเป็นยังไงเป็นผลดีและเป็นผลร้ายเป็นผลเลวต่อตัวของเราไม่ใช่ตัวของเรานะถ้าเราไปทำกรรมชั่วทั้งตระกูลนามสกุลนี้ะ นามสกุลถ้าเป็นหลวงพ่ออินกับนามสกุลหลวงพ่ออินเนี่ยเสียหายทั้งนามสกุลเลยเ อ, อนามสกุลอะไรด่าและตระกูลมาจากไหน อ, อีกศึกษามาจากไหนอกีกเสียทั้งตระกูลหลวงปูล่ลาหลวงตามหาบัวหลวงปูม่มันอีกต่างหากเห็นไหมพ่อเหตุอรเพราะหลวงพ่ออินทำไม่ดีถามว่าหลวงพ่ออินทำดีเป็นสง่าราสีต่อพระพุทธศาสนา ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อวงศกุลต่อสายเชื้อสายตระกูลของหลวงปู่มันนี่แหละถ้าหวังพวกเราคิดให้ดีการที่จะทําอะไรลงไปคิดให้ดีซะก่อนแล้วจึงค่อยทําในจุดนั้นมีแต่ความผาสุกมีแต่ความไปในทางที่ถูกต้องถ้าเราคิดในทางที่ไม่ดีทําในทางที่ไม่ดี มันจะเสียหายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมันเสียหายทั้งตระกูลพระพุทธศาสนาพระเข้ามาบวชทําเสียหายพระพุทธศาสนาเสียหายเขาดูถูกพระพุทธศาสนาถ้าว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหากลุ่มใดเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มันเสียทั้งตระกูลหลวงปู่มันพอมาอกีกพอตัวเองเอกีกมาอยู่วัดป่านาคาน้อยอกีกเสียตระกูลอกีกเสียหลวงพ่ออินอกีก เพราะหลวงพ่ออินไม่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวทำให้เสียวัดวาศาสนาแล้วกันตระกูลของเองตัวเองอีกนามสะกูลอะไรใครที่เขามาทำอย่างนี้เนี่ยเขาด่ากันเป็นทอดทอดมันไม่เป็นผลดีเยเสียหายอย่างมากเลยเราระลึกถึงมาจนไม่อยากจะฟังโซเชียลยูทูปเขาเราหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ ปิดหมดไม่อยากจะฟังอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเขาด่าตนเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราทํากรรมชั่วทําสิ่งที่มันชั่วแล้ว เ, เขาจะประนาม เ, าเพราะนั้นเราต้องคิดดูให้ดีว่ า, เ, าเราไม่ควรจะทําจุดนั้นไม่ควรจะทําเรื่องนั้นไม่ควรจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องนั้นๆ เ, เว้นเสียแต่ว่าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้นะคือไม่เจตนา คือความไม่เจตนาคำนี่แนะเราก็เคยทำมาแล้วก็ทำไปแต่ผลที่สุดนะมันเกิดความเสียหายบางสิ่งบางอย่างอันนั้นก็ไม่ถึงจะเสียหายมากเราก็พร้อมที่จะปรับปรปุงแก้ไขได้เราก็พร้อมที่จะเสียสละเอาเถอะถ้ามันผิดแล้วเรายอมรับเราตัดออกอพอเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้คิดทำอย่างนั้นอันนี้เราก็พร้อมที่จะเสียสละ แต่เรามีเจตนามีความจงใจมีความตั้งมั่นมีความพยายามทำจุดนั้นอันนั้นแหละถ้ามันเสียหายเสียหายอย่างผลปี้แก้ไขไม่ได้เสียหายทั้งตระกูลเสียหายทั้งยวงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระเนนลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกคนที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังพวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณาดูซิจริงไหม หลวงพ่อเอาความจริงมาพูดลูกหลานของพวกเราก็ดีที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงจะรักขนาดไหนลูกหลานของเราเราก็ต้องมีมีไม้เลี้ยวหรือมีกฎกติกาในจิตในใจของพวกเราไว้เหมือนกันไม่ใช่จะทุ่มเทรักแบบหลับหูหลับตาผลีะสุดผลจะผลจะผละทอนย้อนกลับมาดูไม่จืด ที่เราเคยได้ยินบางทีบางสิ่บงบางอย่างหลวงพ่อเกิดมาหลายปีนะบางทีพ่อกับแม่มีลูกชายอยู่คนเดียวรักแสนรักพอเขาแต่งงานขึ้นมาก็สาภรายาของเขาก็อยู่ในกรอบตีพ่อเนี่ยเราเผื่อตายไปค่ำคืนเพื่อไม่ให้ลูกหลานเขายุ่งยากเราควรจะมอบวรลดกทุกอย่างนะให้ลูกชายของเราซะ เพื่อลูกชายของเราจะได้ดําเนินกิจการงานอยู่ด้วยความผาสุขเพราะเขามีสมบัติในครอบครัวของเขาเราก็เท่าแก่ชราแล้วนะนี่แหละเพียงจะคิดเพียงแค่นี้น ะ, ะแต่นั้นมนยังไม่พอนะผลในส่วนก็เราก็มอบให้เขาอมอบให้ทุกอย่างทั้งสองตาใหญ่ต่อมากับหัวตายต่อมาอีกจูต่อมาอี ก, ออกลูกตายลูกชายตาย เท่นี้จะทํำยังไงออพอลูกสะพ้ยหาเงินไม่ได้ไล่ลูกจ้างออกอโปรติโซ ก, ก็เนี่ยนะลูกจะสภพ้ยก็เป็นเจ้าของมอรดกแหละเป็นเจ้าของสมบัติเอาแม่ย่าเป็นคนใช้เท่นี่ให้เป็นคนทําการบ้านเลี้ยงลูกให้เขาแต่สิ่งเหล่านี้ กล่าฟังเอาไว้แต่อย่าไปพึ่งว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นโลกเนี่ยเพราะนั้นก่อนที่จะมอบสมบัติให้กับใครเราต้องดูให้ดีซะก่อนว่าต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรเอถ้าเขาเป็นคนดีใช่ลูกของเราเนี่ดีแต่ลูก ท, ที่เป็นลูกสะภ้าเข้ามานะ เขาจะมองเราเป็นลักษณะอย่างไรสิ่งเหล่านีา้หลวงพ่อเองอยากจะเตือนย้ำพวกเราที่เป็นศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อที่ได้ยินได้ฟังต้องใช้จิตใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบให้มากอย่างองค์หลวงตามหาบวัวยกตัวอย่างหลวงตานะท่านยังไม่เคยมอบหมายให้กับผู้ใดดําเนินเรื่องการเงินแทนท่านเพราะท่านไม่ไว้ใจ นอกจากตัวของท่านแล้วท่านหม่ไว้ใจใครเรื่องการเงินท่านดูดูท่า น, านรักษาท่านดูบริหารโดยตลอดจนอายุถึง9ก้าสิบกว่าปีเนี่ยจนจตินิ่เรา่านยังไม่เคยได้ยินว่าท่านมอบหมายให้กับผู้ใดใครดำเนินการแทนองค์ท่านแต่เรามาพิจารณาดูแล้วตัวงอตัวนี้นะ่ะมันอันต ร, รายเหมือนกัน แต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็อยังมาคิดออกเหมือนกันเตียงพ่อหลวงหลวงพ่อเองเลยอยากกระโดดลงเหมือนกันนะอยากจะให้ลูกน้องบริวารบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้แต่มาเคยกระยับมาครั้งหนึ่งเพ <c oughs> ิกถอยมาครั้งหนึ่ง ท, ทําท่าจะถอยครั้งหนึ่งมันก็เห็นผลขึ้นมาเออใช่องหลวงตามหาบัวเนี่ยทำถูกจริงๆยอมรับฮะหลวงพ่อเนี่ยนะยอมรับ เพราะว่าปล่อยให้ใครยังไม่ได้ในจุดนี้เพราะอันตรายผลที่สุดมันจะทอนมันจะทอนย้อนกลับมาหาผู้ที่ <c oughs> เป็นเจ้าของนี่แหละอันนี้เมื่อเราเดำเนินการไปถ้าเมื่อเราตายไปละเที่เมื่อตายไปแล้วก็นถนะ้าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายบริหารจัดการไปถ้าลูกศิษย์โง่ เ, เราก็ต้องยอมรับว่า เราสอนลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เป็นคนดีให้เห็นแก่ตัวให้เสียเสียสละแต่พอเราตายมาลากไส่ลากพุงกันออกมาให้โลกทั้งโลกเขาได้รู้ได้ได้เห็นอันนั้นก็คงจะเป็นกรรมของเราอีกเหมือนกันแต่เราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้ลูกหลานสอนใส่ศีลใส่ธรรมใส่อัตตาธรรมให้การเสียสละว่าการเกิดมาการบวชเข้ามาเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรมุ่งหวังความพ้นทุกข์ ถ้าหาว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีบุญวาสนาไม่มีเก่าแก่ตรึกดำบรรได้สร้างมาแล้วถึงจะไปตกนสถ า, านที่ใดความอดอยากยังไม่มีแน่นอนแต่ถ้าหาว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้และไม่ได้สั่งเป็นคนขี้ตเนีทีเหนียวหมาตั้งแต่เอไหนแต่ไรพอมาเกิดพบนี้ชาตินี้จะเป็นพระก็เถอะจะเป็นโยมก็เถอะจะเป็นใครๆก็เถอะดวงวิญญาณ น, นั้นจะเป็นผู้ยากจนไปตลอด เพราะไรเพราะไม่ยินดีในการทําบุญทําทานถ้าว่าพวกเรายินดีในการทําบุญทําทานในการเสียสละแล้วเราไปเกิดนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดหลวงพ่อเองมั่นใจเชื่อในบุญในกุศลเชื่อในบาปอกุศลเอที่ตนได้กระทําไว้ถ้าว่าตัวเองทําดีแล้วได้บริจาคทําบุญทําทานเป็นอาจินมาอยู่แล้วอย่าไปคิดอย่าไปเออ หวังว่าตัวเองจะอดอยากถ้าได้ทําดีมาแล้วเว้นเะสียตัวเองทําไม่ดีทําชั่วมาแล้วนะอย่าไปหวังเลยความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่แหละสรุปแล้วคือหลวงพ่อเนี่ยเน้นหนักสอนให้รู้ให้รู้จักว่ากรรมให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าใครทํากรรมชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าใครทํากรรมดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรถ้าอันกสง์ สินอันนี้สงทานอยู่มีกับผู้ใดในอดีตมาโดยตลอดจะยากจนได้อย่างไรถ้าว่าตัวเองทําแต่กรรมชั่วขี้เกียจทําบุญทําทานขี้เกียจรักษาศินขี้เกียจประกอบคุณงามความดีแล้วจะร่ํารวยจะมีความสุขได้อย่างไรหลวงพ่อคิดบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอย่าดั้งจั่งในความประมาทสมบัติ ของพ่อของแม่ก็คือสมบัติของพ่อของแม่อยากองหลวงตาเห็นไหมหลวงตาให้หลวงพ่อเท่าไหร่หลวงพ่อก็ยินดีรับแล้วก็เชิดชูบูชาหลวงตาสร้างกำแพงให้เราเนอะสร้างสาระน้ําให้เรานะเนอะทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงตาได้กระทําเราเชิดชูบูชาพระคุณหลวงตาแต่เมื่อหลวงตาจุติเนตพานไปแล้วเราไม่เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวสมบัติหม่อมแผ่นน้องๆเขาบริหารจัดการไปเถอะนะอันนั้นเครื่องสมบัติ เราจินดีให้บริหารจัดการไปเลยให้เป็นทับเนอหลวงพ่อไม่แต่ทําอย่างนั้นไม่เคยเติมยองหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันหลวงปู่จามก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันอทำมามื่อก่อนที่ท่านจะจากไปขาตก ป, กปกพ้องอะไรที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือจุดตุกปัจจัยมีอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือพอเข้าไปเชื่อช่วยเหลือจบแล้วก็อือจบ อย่างองหลวงตาเนี่ยถ้าว่าหลวงพ่อได้สร้างพิพิธภัณฑ์เจดีทั้งเจดีเสร็จแล้วพิพิธภัณฑ์จบแล้วทุกอย่างจบแล้วหลวงพอ่อก็ปนนมือเออปนนมือเออคล้ายๆกับจุดนั้นะคือเราทําได้ทําดีแล้วเยเออถ้าทํ า, ท า, ทาเป็นทางโลกก็ก็ว่าบายบายฮ ะ, อะพอแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันยังยังอยู่ยังหน้าที่หน้าที่จุดนี้ ยังเหลืออยู่กับเราอยู่เราจะต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุด อ, อยังไงมันจะเกมได้ยังไงม่นจะจบได้แต่เราไม่ได้มุ่งหวังอะไรเราไม่ได้มุ่งหวังลาบยศแต่พวกเราถ้าใครมาอยู่กับเราในขณะเดี๋ยวนี้ อ, อช่วงนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ อ, อ, อาหารการบริโภคจะตกปัจจัย อ, อก็พอเป็นไปอย่างสมณะ เราไม่ได้เดือดได้เดือ ด, ด้ร้ อ, รอนมีอยู่มีฉันก็เพียงพอแล้วเราจะไปหายต้องการล่ํารวยอะไรอยากจะได้อะไรอีกถ้ามันอยากอยู่ในใจมันทุกข์นะอยากอยากอยากอยากอยากมันทุกข์นะถ้าว่าเศรษฐกิจพอเพียงเอาเถอะเราเกิดมาพบในชาตินี้ได้เพียงแค่นี้แหะบิณฑบาตมาฉันอะไรอันไหนอร่อยก็ฉันอันไหนไม่อร่อยก็ไม่ต้องฉัน ฉันให้เพียงพอให้อิ่มอย่าไปให้มันเกินไปนะอย่าไปให้มันกินจนเกินไปพอประมาณพอเเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอย่าให้มันเกินไปอย่าให้มันน้อยเกินไปอย่าให้มันมากเกินไปพอเหมาะอันนี้คือคือถ้าว่าพวกเรารู้จักประมาณตนอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถูกทั้งหมดเราบวชมาเพื่ออะไร เราบวชมาเพื่อหวังมรรคผลนิพพาน เ, เมื่อส่อแสวงหาทางพ้นทุกข์เราไม่ได้บวชมาเพื่อหาลาภยศสรรเสริญสุขภายนอกสุขก็คือสุขยังไงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานนี่แหละ เ, เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้หลวงพ่อพูดดังนี้ทังนั้นให้ฟังเหมือนกับหลวงพ่อจะลักษณะสั่งเสียแต่ก็สั่งเสียใกลๆและสั่งเสียไปเรื่อยๆเพราะวันนี้ มันแก่กว่าเมื่อวานนี้นะมันเข้าใกล้หลักประหารกว่าเมื่อวานนี้นะเออมันเข้าใกล้ใกล้หลักประหารไปเรื่อยๆ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อจึงสั่งเสียไปเรื่อยๆนะในเมื่อมีโอกาสเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าลืมตัวอย่ามุ่งหวังโลกามิตรให้มุ่งหวังอัตธรรมถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินแล้วนะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินล้วต้องมุ่งหวังอัตธรรมเท่านั้น เรื่องโลกไม่ต้องห่วงถ้าเราทําดีเชื่อย่างออกรรมดีผลของกรรมดีผลของขอ ง, ของการกระทําทําดีนะมันจะไม่ไปไหนมันจะย้อนจะท้อนย้อนกลับมาหาผู้กระทํานั่นแหละถ้าเราทํากรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วตอนนี้นจะให้ผลอีกเหมือนกันออมันไม่ไปไหนมันมาหาผู้กระทํานั่นแหละนั่นแหละหลวงพ่อเน้นสอนเรื่องกรรมคือการกระทํา เอารับพอเนีนีทนะ